ทำมั่งเรื่องเฉพาะตัวอัดภาวนาทุกวันทุกวันต้องทําเราไม่ภาวนานะทุกวันกิเลสก็เอาไปกินหมดนะกิเลสขยันไม่มีวันหยุดไม่มีนกักขัดตระกูลุยทุกวันเราปฏิบัติทําทำทำหยุดหยุดสู้กิเลสไม่ไว้ มันมันชกทั้งวันนะเรานานๆชกลูกหนึ่งเนะสู้กันไม่ได้นะปฏิบัติต่องขึ้นหไหมูมีประเภทเล่นไม่เลิกไม่ได้หวังว่าจะต้องชนะน็อกมันในเวลาอันสั้นนะสู้มันทุกวันสู้ด้สติด้วยปัญญานี่นะิเลนไม่ไม่มีอะไรมากนะมีราคาโทสะโมหะมีเท่านั้นเอง ไม่ได้มีอะไรมีสามตัวเองกุศลมีเยอะแยะมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิริยะเห็นมมีสติมีศรัทธามีอู้เยอะแยะเลยกุศลเยอะกว่านะแต่ไม่สามัคคีกันอกุศลเนี่ยสามัคคีกันแน่นแฟนมากเลย เวลากุศลจะเกิดนะโมหะจ้เกิดขึ้นมายืนพื้นเลยไม่ว่าราคะจะเกิดนะก็ต้องเกิดร่วมกับโมหะโทสะจะเกิดก็เกิดร่วมกับโมหะโมหะนี่เป็นกิเลสยืนพื้นพอมีโมหะขึ้นมานะบางทีก็เกิดร่วมพร้อมๆกับราคะบางทีเกิดร่วมพร้อมกับโทสะบางทีเกิดเดี่ยวๆก็ได้แต่ถ้าโมหะเกิดเดี่ยวๆนะไม่นานราคะโทสะก็ตามมามันมาช่วยกัน ส่วนธรรมะฝ่ายดีนะต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยยอมสามาคัคคีกันงั้นเลยสู้กิเลสไม่เคยได้เลยธรรมะจะไปสามาคัคคีกันขณะจิตเดียวเท่านั้นเองครูบาอาจารย์วัดป่าโบราณเท่านเรียกว่ามักสมังคีมันสามาคัคคีกันศนะีล ส, สมาธิปัญญาอะไรรวมเข้าเป็นหนึ่ง โพธิปักขียธรรมส7บประการรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งถึงสู้กิเลสไวหวเนีกุศล น, นะพวกมากนะแต่ไม่สามารถขี่กันอย่างเวลาเราภาวนาวันนี้มีศรัทธาก็มีวิริยะหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไม่เอาลนะวิริยะแนละ้วก็อยากจะทำสมาธิไม่อยากเดินปัญญาเเอาสมาธิก็ไม่เอาปัญญา หรือศรัทธาขึ้นมาก็ทิ้งปัญญาโง่งง่ายไปวิธีก็ทำความเพียนจเจริญปัญญารวดเลยทิ้งสมาธิมันไม่สามารถขี่กันธรรมะมันไม่ประชมุมมันเลยรวมพลังกันไม่ได้เมื่อธรรมะรวมพลังกันไม่ได้ในขณะที่กิเลสสามารถขี่กันรวมพลังกันธรรมะเลยไม่เคยชนะกิเลสเลยสู้กันไม่ได้หรอก เราต้องมาค่อยๆพัฒนานะพัฒนาธรรมะของเราขึ้นมาค่อยฝึกไปเลยตัวที่จะทำให้ธรรมะสามัคคีกันคือตัวสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นภาชนะเป็นที่รองรับองค์ธรมธรมฝ่ายกุศลทั้งหมดเลยให้รวมเข้ามาในจุดเดียวกันคือรวมลงมาที่จิตไม่รวมที่อื่นก็ไม่ได้นะนั่นสมาธิออกนอกจิตไปรวมอยู่ที่อื่นเนย ธรรมะไม่สามัคคีกันธรรมะจะสามัคคีได้นะในอาศัยพลังของสมาธิในระดับฌานขึ้นไปนแต่ปฐมฌานะจิตรวมลงที่จิตงั้นฌานแท้ๆนี่จิตไม่ไปรวมอยู่ที่อื่นนะจิตรวมลงที่จิตนแล้วสติสมาธิปัญญาอะไรต่ออะไรนะคุณงามความดีโพธิปักขียธรรม3าประการอิทธิบาทอะไรต่ออะไรนะ มันจะเกิดร่วมกันที่จิตเกิดพร้อมๆกันที่จิตเพราะธรรมะสามัคคีกันได้นะถึงจะค่นล้มกิเลสได้กิเลสนะสามัคคีกันมาตลอดเลยรักกันเหนียวแน่นนะมีมัด ต, ตามมาเป็นชุดๆเลยเวลากิเลสมาอย่างเป็นต้นว่าวันไหนเราฟุ้งซ่านตามใจกิเลสนะไปเดินห้างเล่นฟุ้งซ่านดูอะไรเพลินไปน เดี๋ยวราคาก็เกิดแล้วเห็นนัรน น, นี่ก็อยากได้เห็นนั่นนี้ก็อยากได้พออยากได้แล้วไม่มีสตางค์จะซื้อนะโทสะ ก, ก็เกิดแล้วไม่สบายใจนะกิเลสเล่นเป็นทีมเลยนะอาศัยความฟุ้งซ่านของจิตนะั้มา ย, ยืนพื้นเลยอนะกุศลก็ต้องอาศัยสมาธิมาเป็นตัวยืนพื้นไว้ถนะึงจะประชุมลงได้เนี่ยธรรมะกับธรรมมันสู้กันมาอย่างนี้ตลอดเวลาแต่คนในโลกมันแพ้ ไม่ภานานะปฏิบัติให้สมควรกระทั่มจิตเลยไม่รวมลงที่จิตศีล ส, สมาธิปัญญาและทำฝ่ายดีทั้งหลายไม่ประชุมพร้อมๆกันต่างคนต่างมาไม่สามาคัคคีอาคูส น, นี่ โ, โหสามัคคีกันมากเลยสังเกตไหมช่วงไหนฟุ้งซ่านมากนะราคาอะไรเงี้ยแรงช่วงไหนราคามากสังเกตไหมต่อไปโทสะแรง เงียบไม่โทษสาแรงอีกหน่อยเสื่องซึมถัดจากนั้นมันหมดแรงแล้ซึมซึมไปหน่อยพอซึมได้ที่มีเรี่ยวมีแรงฟุ้งซ่านอีกลล้ะโอ้เล่นไม่มีเลิกเลยนะมันมันวางแผนพร้อมๆกันนะวนเวียนผลัดกันชกก็มีนะลุมกันชกก็มีนะงั้นพวกเราต้องมาพัฒนากุศลของเราให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเห็นไหมท่านไม่ได้บอกให้พัฒนากุศลนะ ท่านไม่ได้กำหนดกาหนดไว้แค่นั้นท่านบอกให้เราเนี่ยพัฒนากุศลให้ถึงพร้อมถึงพร้อมคือกุศลต้องมีครบเลยทุกชนิดเลยด้วยความไม่ประมาทถ้าประมาทคือขาดสติต้องมีสติถ้าไม่มีสติไม่มีกุศลหรอกงั้นะพวกเรามาค่อยๆพัฒนากุศลขึ้นมานะเริ่มแต่พัฒนาสตินะให้มีสติสติเป็นตัวระลึกได้เป็นเครื่องมือของจิต ในการรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสติเป็นเครื่องมือของจิตเท่านั้นเองในการที่จะรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจถ้าปราศจากเครื่องมือคือสติแล้วจิตจะรู้อะไรไม่ได้จะรู้ทันสภาวะไม่ได้ปัญญาก็เป็นเครื่องมือของจิตในการเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะถ้าปราศจากปัญญาซะอย่างเดียวนะมีจิตดวงเดียวเนี่ยจิตเข้าใจอะไรไม่ได้ งั้นจิตเนี่ยเวลาทำงานนะทางานร่วมกับเจตสิกเกิดร่วมกันนี่เรามาค่อยๆมาฝึกพัฒนาสติวิธีจะให้เกิดสตินั่นก็คือหัดรู้ทันสภาวะบ่อยๆจิระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติให้เรามาหัดดูสภาวะบ่อยๆถ้าเราดูสภาวะบ่อยๆต่อไปเราก็จาสภาวะได้แม่นก็ค่อยๆเรา รู้จักคนคนหนึ่งนะเป็นญาติพี่น้องเราเนี่แหละรู้จักกันตั้งแต่เล็กตนะั้งได้เกิดมาด้วยกันใช่ไหมพอโตขึ้นมาเนะี่ยต่างคนต่างไปคนละทิศคนละทางไม่เจอกันหลายสิบปีนะไม่เจอกันก็จําไม่ได้แต่ถ้าเรารู้จักใครสักคนหนึ่งนะจะชอบหรือจะไม่ชอบก็ตามนะแต่เห็นหน้าทุกวันเลยจำแม่นเห็นแล้วทุกวันทุกวันจําแม่นต่อไปเคยจําแล้วก็ล้าเลยไม่ค่อยหมั่นดู ไม่ค่อยเห็นนะนานๆไปก็จําไม่แม่นอีกพราสติก็ไม่เที่ยงนั่นเราต้องอดทนนะในการหัดรู้สภาวะอย่าเลิกรู้เป็นทุกวันเลยสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้เช่นร่างกายหายใจออกค่อยรู้ร่างกายหายใจเข้าคอยรู้ร่างกายยืนคอยรู้ร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายคูร่างกายเหยียดร่างกายเลี้ยวซ้ายแลงขวาร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่ง นะร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายนะคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆต่อไปพอ ร, ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเราขาดสตินะเราเผลอเผลอกระดุกกระดิกดนะนั่งอยู่แล้วเผลอเช่นยุงมากัดนะั้นขยับมือจะไปตบยุงแนละ้วมือกำลังเคลื่อนไปสติรู้ทันความเคลื่อนไปของมือนะเนี่ยเบรกทันนะก็ถือว่าเป็นบุญของยุงนะเบรกไม่ทันก็เป็นกรรมเก่าของยุงเป็นกรรมใหม่ของเรา นะมีไหมเบรกไม่ทันมีไหมมีเพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยมันเกิดดับเร็วกว่ารูปจิตมันสั่งให้รูปเคลื่อนไหวไปตบยุงแล้วมันสั่งไปแล้วนะรูปกำลังทำงานอยู่จิตอีกดวงหนึ่งเกิดสติขึ้นมาไปเบรกเนี่ยรูปยังรับคำสั่งเก่าอยู่นะเบรกไม่ทันรูปเนี่ยอายุยืนกว่าจิตมากเลย อย่างน้อยก็17เท่าตามตำราว่างั้นนะนักปฏิบัติไม่มีใครเคยเห็นจริงหรอกอันนี้ไม่ใช่ภูมิรู้ของนักปฏิบัติที่จะเห็นได้จะรู้ได้แค่ว่ารูปมันเกิดดับช้ากว่าจิตจ่กี่เท่าในวัดไม่ถูกหรอกไม่ใช่ภูมิรู้ของผู้ปฏิบัติอย่างพวกเราสาวกภูมิรู้ไม่ได้ขนาดนั้นจิตไม่ไหวพอเรามาพัฒนาสติหนะัดคอยรู้ไป อะไรเกิดขึ้นในร่างกายเคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเคอยรู้สึกอย่างความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเคอยรู้สึกต่อไปนั่งนั่งอยู่นะเกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมาเนี่ยกําลังเผลอๆอยู่มันปวดขึ้นมาปุ๊บสติระลึกได้เลยหายเผลอสติระลึกได้ก็หายเผลอกําลังเผลอๆอยู่นะมือขยับไม่ได้เจตนาเลยนะมือขยับนั้นสติระลึกได้หายเผลอ พอสติมานะก็หายเผลอไปกนะ็รู้สึกขึ้นมาจิตใจก็มาค่อยๆฝึกไปค่อยๆสังเกตนะมีสติค่อยรู้ทันอยู่ที่ใจนี่ดีที่สุดเลยดีกว่ารู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่กายก็ดีเหมือนกัน ไ, ได้เดินไม่ตกท่อเดินไม่ตกถนนยมีสติแต่ถ้าจะสู้กิเลสนะไม่ให้ตกจากศีลจากธรรมเนะรู้ทันเข้ามาที่จิตได้ยิ่งดีที่สุดเลยกิเลสมันอยู่ที่จิต เราคอยรู้ทันนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันรู้ไปเรื่อยๆทีแรกก็จะรู้ได้แต่กิเลสหยาบกิเลสละเอียดยังรู้ไม่เป็นกิเลสละเอียดดูยากมากนะกิเลสละเอียดเนี่ยหน้าตาเหมือนกุศลเลยอย่าเนื้อว่ากิเลสมันมืดอย่างเดียวนะกิเลสชั้นละเอียดเนี่ยสว่างนะสว่างสวายอย่ตัวจิตซึ่งประกอบด้วยอวิชชาตัวจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวสําคัญนี้แหละ ที่หลวงพ่อบอกพวกเราต้องมีจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตดวงนี้แหละจิตอวิชาครูบาอาจารย์เรียกว่าจิตเอวิชาแต่เราต้องอาศัยมันก่อนนี่ก็อาศัยศัตรูไปทําลายศัตรูนะถึงวันหนึ่งเราจะทําลายตัวจิตเอวิชาได้ก็จะเกิดจิตที่เป็นธรรมาธาตุเป็นาธาตุรู้เป็นวิญญาณาธรราตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจิตใจของเราตอนนี้ไม่บริสุทธิ์หรอกจิตใจของเราซ่อนเป็ น, นกิเลสมาเยอะ งั้ทฤษฎีที่บอกไม่ต้องทําอะไรเลยจิตดีอยู่แล้วอันนั้นมิจฉาทิฏฐินะพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยเดิมมันประพัสสอนมันผ่องใสถ้าไม่ได้พูดว่ามันบริสุทธิ์ในพวกมักง่ายนะไปได้ยินว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตประพัดสอนก็คิดว่าจิตนั้นบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรหรอกนะกิเลสมาไล่มันไปแลพอแล้วมันบริสุทธิ์อยู่แล้วมันเศร้าหมองเพราะกิเลสงั้นคอยประคองคอยรักษาจิตไว้เนี่ยก็บัรลุทำคนละเรื่องเลย จิตนั้นผ่องใสจริงสว่างจริงนะโดยตัวของมันเองแต่โง่มีอวิชชาซ่อนอยู่ในจิตที่เป็นจิตอวิชชานะสว่างนะไม่ใช่มืดนะจิตผู้รู้เวลาพวกเรารู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกไม่้มสว่างขึ้นมาเนี่ยที่ว่าสว่างสว่างนะสว่างที่ยังเชื้ออวิชชาอยู่งั้นยังไม่สว่างครอบโลกจริงหรอกแล้วก็ไม่เหมือนสว่างของกสินนะสว่างกสินสว่างครอบโลกได้นะแต่เป็นสว่างปลอม สร้างขึ้นมานี่เราค่อยมาหัดรู้สภาวะที่จิตเรื่อยๆนะจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้หัดรู้บ่อยๆนะการที่เราหัดรู้สภาวะที่เกิดที่จิตบ่อยๆเราไปสติอัตโนมัติจะเกิดขึ้นอะไรแปลกปลอมเข้ามาที่จิต น, นิดเดียวนะสติระลึกได้หายหลงหายเผลอรู้สึกตัวขึ้นมานะใจก็สว่างขึ้นมา สว่างแบบประพัดสอนนะไม่ใช่สว่างแบบบริสุทธิ์โคดอันกันสว่างขึ้นมาเป็นคลาลเดี๋ยวก็มัวใหม่กิเลสมาอีกมัวอีกทําไมกิเลสยังมาได้เพราะจิตยังมีกิเลสจิตยังโง่อยู่จิตยังมีอวิชชาซ่อนอยู่เราหัดรู้ไปทีแรกเราเห็นแต่ของหยาบต้องโกรธแรงๆก่อนถึงจะรู้นะต่อไปสติปัญญาเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะขัดใจเล็กๆ ก, ก็มองเห็นลนะะหลวงพ่อหัดภาวนาตอนหัดนะ ทีแรกก็เห็นแต่ขีเหรดหยาบต้องโกรธก่อนที่จะเห็นนะนี่วันหนึ่งยังเป็นโยมอยู่เลยเปิดประตูบ้านออกมาแสงแดดกระทบเปลือกตาเห็นความขัดใจเล็กๆเล็ ก, ล ก, ลกมากๆเลยรำคาญเกิดขึ้นแปบบ๊บเน่นแดดกระทบตาแปบ๊บเดียวเนี่ยโทสา ย, ยังเกิดเลยเนี่ยเราดูนะเราค่อยละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นไปหรือนั่งสมาธิอยู่นะราคะไม่มีไม่ได้อยาก ได้เห็นรูปอยากได้กลิ่นอยากได้รสได้ไม่มีหรอกนั่งสมาธิในใจสว่างว่างสบายก็นึกว่าไม่มีกิเลสนะพอสติปัญญาแก่กล้าขึ้นนะพอสบายปุ๊บจะเห็นในใจเนี่ยเข้าไปเคล้าเคลียกับความสุขความสบายใจเข้าไปติดในความสุขความสบายนี่แหละราคะที่ละเอียดขึ้นมางั้นะแรกๆจะเห็นของหยาบก่อนเราฝึกเราไม่เลิกนะเราคอยรู้คอยดูต่อไปกิเลสละเอียดเราก็เห็นนะ มันจค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็รู้ทันมากขึ้นถ้ากิเลสเนี่ยเรารู้ไม่ทันนะมันจะค่อยๆงอกงามเติบโตขึ้นเผลอเมื่ อ, อไหร่นะตัวเบลอร์เลยโตอย่างรวดเร็วสังเกตไหมอย่างความโกรธ ด, ดูง่ายอยู่ๆก็โตปรุปับเลยรู้สึกไหมแต่ถ้าสติปัญญาเร็วจะเพราะว่าก่อนที่จะโตนะตัวเล็กมาแล้วนะงั้นถ้าสติเราเร็วนะไหวแวบขาดแวบขาดนะกิเลนหยาบไม่มีหรอก ให้กิเลสหยาบไม่มีนะใจสบายใจมีความสุขมีความสงบนะมีสมาธิอยู่ในตัวเองนะั่นแหละสบายงั้นเรามีสติคอยรู้ทันกิเลสไว้นะถ้ากิเลสหยาบหย า, ยาเกิดขึ้นเรารู้ทันนะศีลไม่จะเกิดขึ้นศีลไม่จะเกิดอัตโนมัติเลยคนะโทสะแรงๆเกิดขึ้นเรารู้ทันนะโทสะแรงครอบงําจิตไม่ได้ไม่ฆ่าไม่ตีไม่ด่าใครไม่ทําลายทรัพย์สินใคร ราคะแรงๆเกิดขึ้นเรารู้ทันนะก็ไม่ไปลักไปขโมยใครไม่ไปฆาตกรรมเพื่อชิงทรัพย์อะไรเงี้ยไม่เป็นชู้กับเขาไม่ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาอะไรงี้ศีลมันมีเองนะถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสหยาบๆนะศีลเกิดเลยต่อมาถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่ละเอียดขึ้นนะสมาธิจะเกิดกิเลส ท, ที่ละเอียดเนั้นทําให้ใจฟุ้งไปใจมันจะฟุง้งนะราคะหรือโทสะละเอียดเกิดขึ้นนะ ใจมันจะอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอะไรนี่กามาฉันทามันเกิดขึ้นมานะราคาโทสะละเอียดเกิดขึ้นมานะที่ก็เกิดโทสะไดนะ้เกิดการมาฉันทาก็ได้เกิดพยาบาทก็ได้นลักดันผลนะักดันออกมาปรุงออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันกิเลสละเอียดกิลเลสแต่ว่าละเอียดก็ไม่ละเอียดมากนะในตำราเรียกว่ากิเลสปันกลาง กิเลสกลางนี้ยังไม่งอกมาเป็นราคาโทวสะแรงๆเนยะมันเป็นนิวรนความที่ใจมันเข้าไปคล้องเข้าไปผูกพันกับอารมณ์ต่างๆอยู่ไปผูกพันในที่พัทงที่พอใจบ้างในทางที่ไม่พอใจบ้างในทางที่สับสนผูกพันแล้วลังเลสงสัยบ้างนะฟุ้งซ่านบ้างเข้าไปเกาะไปเกี่ยวอยู่แล้วก็เสื่องๆซึมๆไปบ้างนี่จิตมันเคลื่อนออกทั้งสิ้นเลยเรียกว่านิวรน นิวรณเนี่เป็นตัวที่มาขวางกั้นสมาธิทําจิตฟุ้งซ่านออกไปจินไม่ถึงฐานจินไม่ตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเรารู้ทันนะกิเลสเล็กๆเกิดขึ้นมาเรารู้ทันนะความฟุ้งซ่านนะเกิดขึ้นมารู้ทันลงไปนะความฟุ้งซ่านดับเลยสมาธิเกิดเองเลยบางคนมาถามหลวงพ่อนั่งสมาธิไม่สําเร็จเลยถามว่านั่งไงก็นั่งพุโทโธนั่งหายใจนะพยายามน้อมจิตให้สงบมันไม่ยอมสงบเลยบอกไม่สมาธิไม่ได้ต้องทําอย่างนั้นก็ได้ รู้ทันกิเลส ท, ที่ทําให้จิตฟุ้งซ่านนะถ้ารู้ทันกิเลส ท, ที่ทําให้จิตฟุ้งซ่านนะ่ยกิเลส ท, ที่ทําให้จิตฟุ้งซ่านคือนิวรณ์ดับไปสมาธิเกิดเองไม่ต้องเชื้อเชิญนะเกิดเองแล้วนะไม่ยากอะไรเลยถ้านะนาคามีเนี่ยนะท่านจะมีสติปัญญาไวนะกิเลสกลางๆเนี่ยไม่มีโอกาสเลยนะจิตฟุ้งขึ้นนิดเดียวไหวคลิกเดียวเห็นนะก่นะอนที่จะราคาโทสะโมหะเกิดแรงๆ ร, รู้สึกไหมจิตไหวขึ้นมาก่อน ไหวคลิกขึ้นมานั่นแหละจิตมันมีนิวรแล้วมันฟุ้งแล้วเราฟุ้งไปเราค่อยแปลสภาพเป็นกามาชันทะเป็นพยาบาทเป็นวิชีขีดชา้านะอุทัตจะกุกกุจะอะไรนะัค่อยเกิดทีหลังทีน้ำมิทนะเป็นความไหวตัวความฟุ้งตัวของจิตทางนั้นเลยนะถ้าเราคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยนะทีแรกเห็นกิเลสหยาบหยาบศีลมันเกิดกิเลสครอบงําไม่ได้ศีลเกิด พอเห็นนิวรณเห็นกิเลสที่จิตมันไหวตัวขึ้นมาอย่างนี้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเห็นจิตมันไหวนะจิตยังไม่มีราคะนี่บางคนพอจิตไหวๆขึ้นมาเนี่ยราคะแทรกจิตอยากดูให้ชัดยแค่อยากดูให้ชัดนี่ราคะแล้วนะเห็นมันไหวๆใครเคยเห็นมันไหวไหวกลางหน้าอกบ้างมีไหมยกมือซิมีไหมขี้เกียจยกมันยกะ คนดูได้ตัวเนี้เยอะแยะไปแล้วเห็นมันผุดขึ้นมากลางอกกิเลสนะไหวๆขึ้นมาถ้ารู้ทันนะหายไปเลยแต่ถ้าสติปัญญาไม่พอนะสมาธิไม่พอนะเห็นมันไหวๆนะจิตจะเคลื่อนเข้าไปจิตจะอยากดูให้ชัดนะแล้วจิตจะถลำเข้าไปดูมันมีราคะเกิดขึ้นมีโลภะเกิดขึ้นมันอยากดูให้ชัดราคะเกิดขึ้ น, นตันหาแทรกเลยกลายเป็นตันหานะจิตทะยานออกไป จิตทยานออกไปเนี่ยจิตฟุ้งซ่านเรียบร้อยแล้วจิตเสียสมาธิแล้เสียสมดุลลแล้วเราใครรู้ทันถ้มันไหวไหวขึ้นมานะเรารู้นะถ้าจิตอยากจะรู้ให้ชัดรู้ทันจิตเลยจิตจะตั้งมั่นอยู่ต่างหากนะหรือจิตรําคาญจิตก็จะเข้าไปจัดการในตัวไหวไหๆรู้ทันจิตที่รําคาญตัวรําคาญหายปั๊บเนี่ยจิตก็เป็นกลางสักว่ารู้ว่าเห็นให้นี่ไหวไปจิตเป็นคนดูให้นี่ไหวไปจิตเป็นคนดู ก็จะเห็นเลตัวอย่างเกิดแล้วดับจิตไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนี่จะเดินปัญญาต่อไปได้อีกแต่ถ้ากิเลสระดับนี้เรามองไม่เห็นนะยังมีความสมาธิเข้าสมาธิแล้วถ้าความสุขเกิดขึ้นเรายินดีในความสุขเรารู้ไม่ทั น, นจิตก็ไหลเข้าไปอีกหรือดูสภาวะธรรมนะอยากดูสภาวะส่งจิตไปเที่ยวควานหาเนี่ยจิตฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิก็คอยรู้ทานกิเลสไปเรื่อยๆ แรกก็จะได้ศีลจะได้สมาธินะแล้วก็จะได้ปัญญาต่อไปค่อยฝึกนะปัญญาเป็นตัวความเข้าใจนะถ้าเรามีศีลเนี่ยกายวาจาของเราจะเรียบร้อยยกเว้นแต่มีวาสนาในทางกระโดกกระเดกถ้ามีวาสนาในทางกระโดกกระเดกนะถึงมีศีล น, นะกายวาจามันก็กระโดกกระเดกเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะอย่างพระอราหันต์บางองค์ไม่เรียบร้อยหรอกนะไม่ได้เรียบร้อยเป็นภาพภพับไว้นะ องหนึ่งที่เป็นตัวอย่างคือพระสารีบุตรพระทหารเบอร์หนึ่งน่ะนัมเบอร์วันนะนัมเบอร์วันเองเป็นคนบุ๊บฟับปุ๊บฟั บ, บ, บ, บคล่องแคล่วว่องไวมากเลยอย่างเดินไปเจอท้องร่องกระโดดไม่ไปพืนพิจารณาท้องร่องหนอท้องร่องหน อ, อ, หนา อ, อหนาสามตีแล้วก็อยากข้ามหนออยากข้ามหนอไปฉันเพนไม่ทันอนยะ่างนั้นนี่มลไปฉันฉันไม่ทันนะเจอท้องร่องท่านโดดข้ามเลยนะ หรือวันหนึ่งท่านจะไปลาพระพุทธเจ้าจะออกไปจาริกไปต่างเมืองเป็นธรรมเนียมเมลาพระโมคคัลลาสาริบุตรจะออกเดินทางไกลเนี่ยพุทธเจ้าชอบให้พระไปส่งไปลาเพื่อท่านจะให้ธรรมะเด็ดๆฉันมักจะแจกกันบ้านก่อนที่ท่านจะไปพระสาริบุตรนะเห็นมีพระมาหลายองค์เยอะแยะนะท่านก็ทักองนั้นองค์นี้นะพาสังคติไว้ หมุนตัวไปหมุนตัวมานะชายสังคติท่านไปกระทบเอาพระองค์หนึ่งเข้าพระองค์นั้นเป็นพระเซวจัตท่านคิดว่าพระสารีบุตรต้องคุยกับท่านบ้างปรากฏพระสารีบุตรไม่ได้คุยด้วยเพราะพระที่ท่านต้องคุยด้วยนี่เยอะองค์นี้ท่านก็ถือว่าท่านมีชื่อเสียงแต่ว่าจริงๆมีกิเลสชายสังคติพระสารีบุตรไปถูกท่านนะท่านรีบกลับมาฟ้องพระเจ้าเลยพระสารีบุตรประหารฆ่าพระองค์ประหารเนภาษาแขก่าตี ถือว่าเป็นอัครส า, าวกข้าพระองค์ไปส่งดีๆนะมันตีข้าพระองค์เหมือประหารข้าพระองค์พระเจ้ารู้ว่าไม่จริงหรอกแต่ว่าสอบสวนให้ซะหน่อยจะได้ให้สังคมรู้นะไม่งั้นจะเที่ยวพูดไปเลยว่าภาษาดิบุตรเตีออกเรียกภาษาดิบุตรกลับมาสอบสวนภาษาริบุตรท่านบอกเลยจิต ท, ท่านมันเหมือนแผ่นดินนะจิต ท, ท่านเหมือนน้ําเหมือนลมเหมือนไฟนะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ได้มีราคะไม่ได้มีโทสะไม่ได้มีเจตนาจะทําร้ายอะไรตัวท่านก็ไม่ได้ถือว่าท่านเป็นเอตทักคะเองเป็นอัครสาวกไม่ได้ถือตัวอย่างนั้นมีความรู้สึกนะไปไหนมาไหนมีความรู้สึกอ่อนน้อมอ่อนโยนเหมือนตัวเองเป็นจันทานคนหนึ่งเท่านั้นเองไปไหนก็อ่อนน้อมไปด้วยเลยไม่เคยคิดจะทําร้ายใครเลยเนี่ยขนาดท่านเป็นคนอ่อนน้อมนะเป็นคนกระตันอยู่นะแต่ท่านกระโดกกระเดกนาะ อันนี้ห้ามไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรามีศีล น, นะกิเลส ช, ชั่วหยาบไม่กระทบแต่กายวาจาเรียบร้อยแต่เรียบร้อยตามสไตล์ของแต่ละคนเราเรียบร้อยได้แค่นี้แหละผมก็แค่นี้แหละเราะงั้นอย่างเรามีสติรู้ทันนะกิเลสหยาบครอบงําจิตไม่ได้ราคาโทัวรสามไม่เกิด น, นะแต่ว่าสนามเป็นางนก็เป็นอย่างนั้นแหละแก้ไม่ได้หรอก แล้วถ้าเรามีกิเลสมีสติเร็วขึ้นนะเรารู้ทันกิเลสระดับกลางได้สมาธิจะเกิดใจจะเรียบร้อยถ้าศีลเกิดเนี่ยกายวาจาเรียบร้อยนะแต่เรียบร้อยตามสไตล์ของแต่ละคนถ้าสมาธิเกิดนะมีสติรู้ทันจิต ท, ที่ฟุงนะ้งจิต ท, ที่ฟุ้งไปนะรู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาใจจะเรียบร้อยใจจะสบายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา ดังนัสีเนี่ยทำให้กายว่าจาเรียบร้อยสมาธิทาให้ใจเรียบร้อยปัญญานั้นทำให้ใจฉลาดปัญญาทาให้ใจฉลา ด, ญญาาลาดวิธีฝึกให้ใจฉลาดก็คือเอาความจริงมาป้อนให้ใจดูใจเหมือนเด็กต้องให้การเรียนรู้กับมันทุกวันนี้เราก็ให้การเรียนรู้กับจิตนะอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากอะไรก็สนองไปด้วยนี่เราให้การเรียนรู้กับมัน เด็กที่ถูกพ่อแม่ตามใจแล้วรู้สึกดีไหมเกเรค่อนข้างเกเรบางทีก้าวเล้าละรานอะไรเนะีเอาแต่ใจตามใจกิเลสไปเนะรื่อยจิตนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราตามใจมันไปเรื่อยๆนะมันจะร้ายขึ้นเรื่อยๆต้องฝึกต้องหัดมันให้การเรียนรู้มันเหมือนเด็กๆนะเด็กบางคนร้ายต้องค่อยๆให้การเรียนรู้แล้วก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นหรือเด็กคนไหนดีอยู่แล้วเราก็ต้องให้การเรียนรู้อีกเพื่อให้เขาดีมากขึ้นไปอีก จิตนี่ก็เหมือนกันจิตของคนบางคนเลวร้ายมากนะก็ต้องให้การเรียนรู้แบบรุนแรงสอนกันแดงๆบางคนจิตใจประณีตเลวร้ายแบบประณีตนุ่มนวลหน่อยนะก็สอนนุ่มนวลหน่อยนะแต่ละคนเนี่ยพระพุทธเจ้าอย่าสอนไม่เท่ากันสอนไม่เหมือนกันวิธีการที่ท่านสอนเนี่ยแตกต่างกันแต่ความการุณาของท่านต่อทุกคนนั้นเท่ากันนะใจของพระอรหันต์เนี่ยท่านจะ ก, การุณาอะเนี่ยเท่าๆกัน แต่ท่านจัดการกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นพวกเราเอะอะก็ประชาธิปไตยเราคิดว่าต้องทําอะไรได้เหมือนเหมือนกันเรายุติธรรมมันยุติตามโลกมันไม่ได้ยุติตามธรรมเราเอาคำว่ายุติธรรมมาใช้ผิดแล้วล่ะงั้นกับคนชั่วเนี่ยพระพุทธเจ้าด่าเขาก็มีนะท่านให้ข่มคนที่ควรขม่มชมคนที่ควรชมท่านไม่ได้ปฏิบัติกับทุกคนเสมอกันนะงั้นเราจะมาบอกว่าพระพุทธเจ้าลําเอียงไม่ลําเอียงหรอก แต่ท่านฉลาดนะท่านรู้ว่าคนนี้ควรจะฝึกอย่างนี้คนนี้ควรจะฝึกอย่างนี้คนนี้ฝึกไม่ได้เอาออกไปก่อนนะเอาไว้ให้พระพุทธเจ้าองค์ต่อตอไปค่อยมาฝึกนะท่านยังฝึกไม่ได้บารมีเขาไม่พอนั้นท่านมีการคัดสรรการกรองนะแจกแจงธรรมะถึงเรียกว่าพ ร, ระครวตผู้จําแนกแจกธรรมให้เหมาะสมกับผู้รับแต่ละคนในการที่จะฝึกให้เกิดปัญญานะแต่ละคนนี้ต้องฝึกแบบเข้มงวด บางคนต้องฝึกเก้มงวดบางคนฝึกแบบประนีตไม่เหมือนกันหรอกนะเหมือนการฝึกมา้าถ้าม้าพย์มากก็ต้องทรมานให้อดข้าวอดน้ำนะอดหญ้าอะไรเนี้ยพาวิ่งให้หนักม้าบางตัวสงบเรียบร้อยนะไปทำอย่างนั้นม้าเฉาตายเลยเสียใจนะม้าก็เสียใจเป็นม้าบางตัวก็ต้องโอ๋โอมันหน่อยนะให้มันกินหญ้ากินน้ำแล้วก็พามันฝึกวิ่งอะไรเงี้ยมันก็ทำได้การฝึกคนของพระพุทธเจ้าท่านก็ฝึกแบบนี้แหละ บางคนต้องรุนแรงบางคนท่านก็ฝึกประณีตฝึกไม่เหมือนกันแต่ความการุนางท่านนั้นเท่าเท่ากันนะแล้วขัดเกลาวิวธีขัดเกลา่แตกต่างกันไปตามจริตนิสัยองแต่ละคนเมืาะงั้กรรมฐานที่เหมาะกับเราในการเจริญปัญญาของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนต้องทําสมาธิก่อนแล้วเดินปัญญาทีหลังบางคนทําสมาธิและปัญญาควบกันบางคนเดินปัญญาก่อนแลพัฒนาสมาธิทีหลัง บางคนรู้กายเป็นวิหารธรรมบางคนรู้เวทนาบางคนรู้จิตบางคนรู้ธรรมเป็นวิหารธรรมไม่เหมือนกันแต่ละคนในขั้นของการเจริญปัญญานะแม้จะมีวิธีการตั้งสามอย่างสามช่องทางหลักนะคือสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิปัญญาควบกันนะแล้วก็มีอารมณ์กรรมฐานนะตั้งตั้งสฐานนะกายเวทนาจิตธรรม แต่หลักการนั้นเดียวกันหมดนะคือมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะใช้หลักนี้นะจำหลักตัวนี้ให้แม่นนะแล้วใครจริตนี้ใส่หมอ ก, กรรมฐานอะไรใช้ได้หมดเลยนะใช้ได้ทุกชนิดเลยหลวงพ่อก็จะสรุปตัวนี้ออกมาสรุปออกมาจากธรรมะที่มากมายมหาศาลนะสรุปออกมาแล้วเหลือเท่านี้แหลนะนี่ธรรมะเ ย, ยอะๆยอ่ย อ, ยอลงมาก็เหลือเท่านี้เองในขั้นการเจริญปัญญา ในขั้นการเจริญสมาธินะก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขน้อมจิตไปอย่างต่อเนื่องแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขแล้วมีความต่อเนื่องเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ถ้าเจริญปัญญาก็มีสติรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงโดยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่ปัญญาจะเกิดส่วนวิธีการนะหลากหลายแต่ละคนไม่เหมือนกันพวกเราเรียนหลักให้แม่นนะแล้ววิธีการไปดู อันไหนเหมาะกับเราเพราะอันนั้นย่คนที่เรียนกับหลวงพ่อมีทุกชนิดเลยมีทุกประเภทนะนะถ้าฟังเขาส่งกันบ้านให้ดีจะรู้ว่าไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่สุดท้ายมันไปที่เดียวกันนะไปลดละกิเลสไดนะ้กิเลสลดลงแนละ้วความทุกข์ในใจก็ค่อยๆน้อยลงน ะ, ะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์